ก็เพื่อนเพื่อนสูงลับประชาชนญาติโยมถ้าุตรงแล้วก็ว่าเพื่อโลกเพื่อผู้อื่นล้วก็สอนอย่างเต็มภูมิกำลังวังชาก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงทุกวันนี้บอกทัดๆเสอย่างการที่อุศอดทนอยู่กับหมู ก, กับเพื่อนนี้ก็เรียกว่าใช้ความอดทนจริงๆถาธรรมดาตามนิสัยวาสนาองตัวเองซึ่งอาภัพยอยู่แล้วไม่อยู่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 พากันออกไปเพื่ปฏิบัติกรรมศัดนี่เลยหาที่มันนั่นแหละที่โลกเขาไม่ต้องการนั่นแหละกิเลสมันก็ไม่ต้องการแต่ทำต้องการเพราะเป็นช่องว่างที่จะให้ทำได้ต่อสู้กับกิเได้อย่างสะดวกสบายถ้าที่นายมันหนาแน่นด้วยความนิยมชมชอบของโลกของสาร<ม>นั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสร้อยเปอร์เก้าวออกไม้ได้สถานที่ใดโลกเขาไม่ยินดี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 ทุกแบบนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ทุกเพื่อความภาคความเพียรนี้เป็นทุกข์ที่มีสาระสำคัญมากเป็นทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นทุกข์ที่จะหนุนเราให้หนุพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายกลายเป็นความสุขจนกระทั้งถึงบรงมสุขขึ้นมาเพราะสถานที่เช่นนั้นคือที่อดอยากขาดแทนที่ที่ว่าเกิดความทุกข์ความลาบากลาบนญความเพียรก็เหมือนกัน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 นี่ละที่ว่าอดอาหารเราจรึงต้องในพลแปลงเปลี่ยนแปลงห ล, งหลายสรรหลายกรมเอาพรเป็นยังไงพ่อเห็นว่าดีแต่ยังไม่ถึงใจเอาอดน่ะความเพียรไม่ถอยในขณะที่อดนั่นเนี่ยเป็นขณะเป็นเวลาที่ประกอบความเพียรที่เน้นหนักที่สุดมากที่สุดยิ่งกว่าเวลาธรรมดาเพราะได้ทำได้สะดวกสติก็ตั้งได้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 แล้วมันไม่เห็นตายอืก็ยิ่งเป็นคติไปเรื่อยๆนี่ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นด้วยตัวเองเนี่ยทที่ว่าอศัจธรรมเป็นของจริงเป็นจริงอย่างนี้นะไม่ใช่จริงมาเรียนมาจํามาเฉยๆเวลาเก็บใข้ได้ป่วยร้องครางยิ่งกว่าเสือถูกปืนออืมไม่มีสติสตังล้มเหลวไปหมดนั่นมันมันเรียนจํามาศัจธรรมศัจธรรมในความจําเฉยๆ สัจธรรมในความจริงนี้มันจะหมุนติ้วเลยเกียวให้เข้าถึงความจริงเข้าถึงความจริงจนกระทั่งถึงวาลาสุดท้ายที่จะขาดได้รู้ไม่มีคําว่าถอยนี่เรียกว่าสัจธรรมของภาคปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาประจําหัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้มาปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นท่านจะประกาศสอนไว้สักเพียงไรก็ตามก็จะไปคว้าแต่ความจําความจํานั่นแหละ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 ถึงข่าจะตายก็อ่ะให้มันตายให้มันเห็นจะจะทําในเวลาตายนี่นั่ะมันไม่ถอยแล้วก็มันไม่เห็นทายก็อยู่มาจนมาะทั่งทุกวันเทศสอนหมู่สอนเพื่อนว่า้วยวิด้วยเราเป็นมาด้วยวิธีการใดทั้งเหตุทั้งผลก็จะสอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ไมที่กําลังความสามารถถ้ายังเห็นว่ยังไม่ถูกต้องแล้วก็ไล่เข้าไปโน่นสิไปตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองให้เข้าดุงมูดูว่าแฝนคอแล้วเอามาอวดอาจารย์สิดุงหูดุัวนี่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 าการเท่ก็เปลี่ยน่ารเหนื่นะอันนะีนนนน้เหน่อยใน